การภาวนานะเบื้องต้นเย น, นะหัดรู้จักสภาวธรรมให้ได้สิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมก็มีรูปธรรมนามธรรมสภาวธรรมอีกอันหนึ่งคือตัวนิพพานถ้าแยกละเอียดต่อไปนะตัวนามธรรมก็แยกได้สองส่วนจิตกับเจตสิก นิพพานนั้นจงไว้พวกเราไม่เห็นนะ่ยสิ่งที่เราเห็นคือรูปธรรมนามธรรมหรือจิตเจตสิกรูปเห็นได้สามอย่างเนี่ยสามอย่างนี้จะสอนใจลักเราสิ่งอื่นจะไม่สอนใจลักษเราตัวรูปธรรมรูปธรรมแท้ๆดูยากนะ อย่างเราลองจับแขนตัวเองดูเลยรู้สึกไหมมันมีความหยุ่นความแข็งนะแต่ละจุดไม่เท่ากันส่วนที่แข็งแข็งก็คือธาตุดินมันมากส่วนที่นิ่มๆนะธาตุดินมันน้อยนะนี่ดูยากนะแล้วลองสัมผัสดูแต่ละจุดเนี่ย มีอุณภูมิความร้อนไม่เท่ากันรู้สึกไหมบางคนปลายนิ้วปลายอะไรจะเย็นเย็นหน่อยนี่คือตัวธาตุไฟความร้อนความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวตัวธาตุดูยากงั้นเรามาดูกายดูกาย จะง่ายก็ดูตัวรูปแท้ๆพระพุทธเจ้าสอนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้สึกกายอย่าขนาดนี้เราเห็นร่างกายห้ใจออกให้นร่างกาห้ยใจเข้าไหมเห็นร่างกายาไพยากหน้าไหมตรงที่เราเห็นร่างกายให้ใจออกร่างกายให้ยใจเข้าเรียกว่าเรามีสติ อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะคือการทำอานาปนาสตินะรู้สึกไหมร่างกายหายใจอยู่ใจเราเป็นแค่คนดูนะค่อยๆหัดรู้สึกไปลองยิ้มสินะร่างกายยิ้มรู้สึกไหมนะร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหม เรื่ยคอยรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นความจริงของกายความจริงของร่างกายก็คือมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนะเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็หยุดนิ่งไม่คงที่เนื้อมันไม่เที่ยงรู้สึกอยู่ในกายน็เห็นร่างกายไม่เที่ยง แล้วดูอีกมุมหนึ่งร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์มันถูกบีบคั้นอยู่ตะลอดเวลาหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์ลองดูหายใจไปแล้วก็มองในมุมของทุกข์ดูเห็นไหมหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ตัวนี้เห็นไหม ถ้ายังไม่เห็นลองหายใจออกเยอะๆสิยาวๆหรือหายใจเข้ายาวๆจะเห็นถูกชัดเจนรู้หรื อ, อยังว่าเราหายใจทําไมเราหายใจออกหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกหายใจเข้ามากๆก็ทุกแล้วก็หายใจออกแก้ทุก หายใจออกมากๆก็ทุกข์ก็ให้ยใจเข้าเพื่อจะแก้ทุกข์อีกทําไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งอยู่นั่งตลอดวันก็ไม่ไหวใช่ไหมนอนทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไหวยังก็ทุกข์อีกอย่างคนเ ป, นปนะ็นอัมพาตนอนกระดุกกระดิกไม่ได้นะทุกข์มากเลยมันจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่เห็นเพราะเราเคลื่อนไหวสักก่อนเคลื่อนไหวก่อนที่จะทันเห็นความทุกข์เน้นถ้าเราจะหัดมองร่างกายในมุมของความทุกขนะ์ให้รู้สึกทุกข์ก่อนนะแล้วค่อยเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวอัตโนมัติทุกวันนี้เราเคลื่อนไหวอัตโนมัติเราไม่ทันสังเกตว่าทำไมต้องเคลื่อนไหว เนดูลงไปเรื่อยๆนะร่างกายไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของดีของพิเศษไม่ใช่ของน่ารักเป็นตัวทุกข์สอนร่างกายไปสองมุมแล้วนะอันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้เราเห็นอันนีจังอันที่สองทำไมมันต้องเปลี่ยนแปลงเรามันทุกข์ ป็นถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เรามองมุมที่สามรู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายที่นั่งเนี้ยถูกรู้อยู่ดูลงไปร่างกายนี้มันถูกรู้รู้สึกหัหยร่างกายมันถูกรู้ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่ง อะไรที่ถูกรู้มันจะไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเราหรอกนะอันไหนที่เราไปรู้มันสิ่งนั้นถูกรู้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเราดูสิร่างกายนี้ถูกรู้เนีดูแก้วน้ํานี้ถูกรู้ใช่ไหมใครเห็นแก้วน้ําเป็นเราบ้างนะบ้าแน่นอนแต่ทําไมเรารู้สึกว่านี่คือตัวเรา เพมันบ้าเรียกว่าสัญญาบิปาลาดหมายรู้เพี้ยนเพียนหมายรู้ผิดผิดของไม่เที่ยงหมายรู้ว่าเที่ยงของเป็นทุกข์หมายรู้ว่าเป็นสุขของไม่ใช่ตัวเราหมายรู้ว่าเป็นตัวเราถ้าเรามีสตินะใจเราตั้งมั่นรู้สึกอยู่เนร่างกายที่เคลื่อนไหวนะมันถูกรู้ถูกดูอยู่นะมันจะไม่เป็นเราหรอก ความเป็นเราเกิดตอนที่หลงชิตนะความเป็นเราเกิดตอนที่หลงชิตนะถ้าไม่หลงชิตความเป็นเราจะไม่เกิดนี่หัดดูนะดูสภาวะจริงๆของรู ป, ปรธรรมเราเป็นแค่คนดูนะเห็นรูปมันหายใจเห็นรูปมันยืนเดินนั่งนอนนะเห็นรูปเคลื่อนไหวเห็นรูปหยุดนิ่ง เห็นไปเห็นไปแล้วบางทีก็จะเห็นเรูปทุกอย่างเกิดแล้วดับรูปหายใจออกเกิดแล้วดับรูปหายใจเข้าเกิดแล้วดับรูปยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วดับรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งเกิดแล้วก็ดับหลืจะมองในมุมของความทุกข์ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าทำไมต้องเปลี่ยนการหายใจเพื่อหนีทุกข์ หายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์ยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ก็ทุกข์แล้วก็ต้องเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเพื่อหนีทุกขนะ์ยังไงถ้าจะมองในมุมของทุกขนะ์เนี่ยมีสติอยู่กับกายไปเรื่อยๆแล้วพอมันอยากขยับเนี่ยสังเกตให้เดี๋ยที่มันอยากขยับตัวนะเพมัทุกข์มันจะหนีทุกข์ดูไปเรื่อยนะต้องกายนี้น่าเบื่อมากเลย เนน้อมองในมุมที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราใจเป็นคนดูดูลงไปไเห็นอันี้มันของถูกรูก้ถูกดูเราจะรู้สึกนะร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งท่านั้นเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งจะนซ้ายหันขวาเนี่ยมันก็เหมือนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปเป็นวัตถุเป็นก้นอนธาตุอย่างเราหายใจก็มีธาตุไหลเข้าไป หายใจเข้านะก็มีธาตุไหลเข้าไปหายใจออกก็มีธาตุไหลออกไปอยตอนหายใจเข้าใช่ไหมมีมีธาตุดินน้ำไอลมไหลเข้าไปแต่ตอนหายใจออกสังเกตไหมอุณหภูมิเปลี่ยนลมหายใจออกนะร้อนกว่าลมหายใจเข้าเพราะนี้ตัวนี้ยังมีธาตุไฟสมุอยู่ข้างใน ดูไปเรืเ่เป็นแค่วัตถุชินอาหารเข้าไปแล้วก็ขับถ่านยะดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็เสี่ออกมาบ้างเป็นเหงื่อไปบ้างอะไรบ้างนี่เป็นธาตุดูมไปเป็นวัตถุธาตนะุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะอ่านดูอย่างนี้ไปก็จะเห็นว่ากลายเป็นแค่วัตถุธาตนะุเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นวัตถุธาตุ ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเร า, ไ ม, เราไม่ใช่ควรสัตว์เราเขาเนี่ยหา ด, ดูสภาวะไปนะจนทะลุจากตัวสภาวะไปเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะทีแรกเราหัดดูร่างกายให้ยใจออ ก, ร, กอร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุด น, นิง่งดูตรงนี้เรียกว่าเรามีสติแล้วเราทะลุลงไปเห็นนะ ร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาร่างกายเป็นอนัตตามเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่เกี่ยวกับเรา่ดูไปยากไหมไม่เห็นที่ยากตรงไหนเลยง่ายไหมง่ายแต่ขี้เกียจทำ ไม่เหมือนไปดูหนังดูละครสนุกดูตัวเองนักกรรมฐ า, านนะดูตัวเองเนี้ยสนุกที่สุดเลยสนุกมากหลวงปู่มัน่นท่านก็บอกว่าเนี่ยเหมือนนี่เหมือนโพรงเป็นโพรงเป็นถ้ำไปเที่ยวถ้ำใครเคยไปเที่ยวตามถ้ำบ้ า, บางมีไหมเนี่ยนั้นถ้ำข้างนอกหลวงมันเที่ยวถ้ำข้างในนี้ดูบ้างสนุกนะ เที่ยวดูเขาไปย้างในรู้สึกเอาใช่รู้สึกเอ า, เอาไม่ได้ดูด้วยตานะรู้ด้วยความรู้สึก เ, เนี่ยถ้าดูรูปธรรมนะก็ดูอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยแค่ดูนมามธรรมนมามธรรมมีสองส่วนจิตจกับเจตสิกจิตคือตัวรู้จิตเป็นตัวรู้ อย่างร่างกายหายใจใครเป็นคนรู ouais. strong, ้จิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายมีสุขมีทุกข์ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เนี่ยดูไปเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตเป็นคนรู้ตัวรู้เนี่ยดูยากการดูนามธรรมนะตัวที่ดูง่ายคือตัวเจตสิก สิ่งที่เรียกว่าเจตสิก ค, คือสภาวะที่เกิดร่วมกับจิตแล้วทำให้จิตนะผันแปรไปต่างๆนาน า, นาอย่างพวกเรารู้จักจิตโกรธไหมจิตโกรธความจริงเป็นส่วนผสมของความโกรธความโกรธที่เป็นเจตสิกเป็นตัวที่มาดัดแปลงจิตให้มีลักษณะเฉพาะของมันอย่างความโกรธ เกิดขึ้นความโลภนี่ก็เป็นสภาวะนะเป็นเจตสิกมาเกิดร่วมกับจิตความโกรธเกิดร่วมกับจิตเราก็รู้สึกว่าจิตโกรธ ถ, ถ้าคนทั่วไปไม่รู้สึกว่าจิตโกรธแต่รู้สึกว่าเราโกรธนะกูโกรธ ถ, ถ้าโกรธมากๆเวลาความโลภหรือราคะเกิดคนทั่วไปก็รู้สึกว่าเราเราอยากได้นูนเราอยากได้นี่มันมีเราขึ้นมา ถ้านักปฏิบัติก็จะเห็นว่าราคะก็ส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนรู้ราคะเป็นอีกส่วนหนึ่งมันมาอยู่ด้วยกันความสุขความทุกข์ก็เป็นเจตสิกความดีความชั่วก็เป็นเจตสิกสิ่งเหล่านี้เกิดร่วมกับจิตจิตจะไม่เกิดตัวเดียวโดดๆมีจิตเมื่อไหร่ต้องมีเจตสิกเมื่อนั้นเป็นของที่ต้องเกิดด้วยกัน จิตโดยตัวของมันเองนะไร้รูปลักไรล่องลอยดูยากนะดูไม่เห็นนะหลวงปนนู่ดูลย์ก็บอกว่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอเพราะนเราอย่าไปดูจิตตรงๆใช่มันจะไม่มีอะไรให้ดนะูเวลาเราดูจิตพยายามจะดูจิตนะมันเหมือนคนที่ใส่แว่นตาแล้วเอาแว่นไว้ตรงนี้นะแล้วก็เที่ยวเดินหาแว่นนะหาไม่เจอ เราดูผ่านเจตสิกก่อ น, นมีความสุขเกิดขึ้นรู้มีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ความสุขก็เกิดร่วมกับจิตสุขความทุกข์ก็เกิดร่วมกับจิตทุกข์เกิดด้วยกันดับด้วยกั น, นตั้งอยู่ด้วยกันความดีจิตมีปัญญาหรจิตมีสติขึ้นมาเนี่ยเป็นจิตดีก <นะ S 2> ็เกิดร่วมกับปัญญาเกิดร่วมกับสตินะ ถ้ไมจิตแต่ละคนจิตแต่ละคนเนี่ยในความเป็นจริงเหมือนกันคือเป็นธรรมชาติรู้จะจิตคนจิตหมาจิตแมวจิตเทวดาจิตพระอรหันต์อะไรเนี่ยก็เป็นธรรมชาติรู้ทั้งนั้นนะถ้าจิตเนี่ยคือธรรมชาติรู้แต่ทําไมคุณสมบัติมันไม่เท่ากันเพราะเจตสิกเข้าไปปรุงแต่งจิตไม่เหมือนกัน อย่างคนชั่วเจตสิกฝ่ายชั่วก็มาปรุงมากคนดีเจตสิกฝ่ายดีก็มาปรุงมากเจตสิกฝ่ายดีเช่นศรัทธาวิริยาสติปัญญาเนี่ยคนชั่วก็มีเจตสิกฝ่ายชั่วปรุงโลภโกรดหลงอะพวกนี้อิจฉาริษยาพยาบาท น, น้อยใจน้อยใจเป็นไหมพวกเราเรียน กรรมฐานแล้วน้อยใจหลวงพ่อบ่อยมากเลยนะบางคน น, ะน้อยใจหลวงพ่อไม่ดูแลหน้าที่ไปดูตัวเองไม่ให้หลวงพ่อดูหาสบัดวิมานอะไร่ะเดี๋ยวหลวงพ่อดูพวกเรามากๆหลวงพ่อบรรลุพระอรหันต์ไปเลยนะเห็นแต่อ้สัตว์โลกแต่ไม่ได้ความทุกข์ไม่น่าเกิดกรรมอันติดต่อไปแล้วนะดูตัวเองนะบางคนมันชี้อ้อนจะมาอ้อน หลวงพ่อไม่ใช่ครูบาอาจารย์ชนิดที่ชอบให้ลูกศิษย์อ้อนนะหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ที่จะปั้นลูกศิษย์ให้แข็งแกร่งนะลูกศิษย์ต้องแข็งแกร่งไม่ใช่อ้อน อ, อนใครมาอ้อนอย่างหลวงพ่อนะก็เจอกระเจิงหมดอนะ่นะโดนจวกเมื่อก่อนก็มีอนะ้ อ, อนโอ้ดีชันอย่างงู้ดีชันอย่างนี้ช่างแก่เปรตเลล่ะแกทํากรรมชั่วมาแกก็ได้รับผลของกรรมแล้วแกจะมาอ้อนทําไมนะ ต้อฝึกเอารูจา้จักขี้อ้อนไหมขี้อ้อนก็เป็นสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตจิตเป็นคนรู้แต่ว่าเจตสิกนี่พอมันมาปรุงจิตนะมันมักจะครอบงําจิตอย่างพอความโกรธเกิดนะความโกรธมันมาครอบงําจิตนะปีติเกิดบางทีมันมาครอบงําจิตได้ใครเคยเห็นปีติครอบงําจิตลรอ ไม่ครอบคลุมหัวเราเลยนะหนะลุมมีความสุขเยอะมาถูกปิติครับต่อหน้าหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ยอมนะบางที่เขาชอบนะให้ลูกศิษย์เคลิ้มมองอาจารย์นะเหมือนหมามองของกินอะไรสักอย่างที่น่ากินนะมองโอยอาจารย์ชอบมากเลยนะลูกศิษย์นี่เง่าหลอกง่าย บางทีมันไม่เคลิมนะสะกดให้มันเคลิมเลยนะไม่ยากหรอกสะกดจิตนะง่ายอยู่ตายไปเคยมาทําที่นี่ไม่ได้หลวงพ่อไม่ยอมให้ยังมันสะกดกันไล่ตะเพิดนะ่ะไม่ยอมะอสอนรู้สิกให้มันตื่นตัวให้มไม่ถูกอารมณ์ทั้งหลายไม่ถูกความรู้สึกทั้งหลายครอบงำ เวลาความโกรธเกิดแล้วความโกรธครอบงำใจตรงนี้เคยเห็นไหมทนไม่ไหวแล้วใจดิ้นพลาดพลาดถ้าเรามีสติรู้สึกไหมความโกรธกับจิตเป็นโคล่านกันเนยเราจะฝึกนะจนเห็นว่าจิตกับเจตสิกโคลานกันว่าชั่นี้ชํานานนะเราก็จะเห็นเลยจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตชั่วเกิดแล้วดับดูบ่อยๆมะ ดูบ่อยๆให้ชำนี้ชำนาญต่อไปเราจะมาดูจิตพอเราเข้มแข็งมากขึ้นนะสติเราเร็วสมาธิเราดีสมาธิดีต้องดีถึงขั้นไหนถึงอัปนาสมาธิไหมไม่จาเป็นนะสมาธิดีหมายถึงมีสมาธิเกิดขึ้นรวดเร็วจิตไหลไปไหลไปดูสติรู้ทันอย่างรวดเร็วจิตก็ตั้งมั่น นี่มีสมาธิแต่ถ้าสมาธิไม่ดีสติไม่ดีนะแล้วจิตหลงไปดูเนี่ยหลงเป็นชั่วโมงเลยอย่างเวลาเราดูซีรีส์อะไรบางทีนะดูเมื่อก่อนดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมหลวงพ่อไม่เคยดูตอนมาบวชมันยังไม่มีซีรีส์เกาหลนะีมีแต่เรื่องอีคิวซังเรื่องอะไรตัวลายมอนมีแต่แค่นั้นนะซีรีส์อะไรพวนี้ไม่มี เวลาเราดูซีรีส์รู้สึกหัหยดูได้เป็นวันวันเลยบางทีเลอือดูทั้งคืนเลยนะถึงเวลาทำงานทำไม่ไหวแต่ดูซีรีส์ดูไหวอย่างนี้เรียกว่าเราหลงดูถ้าเรามีสติรู้ว่าเรากำลังหลงดูอยู่นะความหลงจะดับความรู้สึกตัวจะเกิดความหลงกับความรู้สึกตัวมันกลับข้างกันงั้นเวลามันหลงดู รู้ว่าหลงดูก็จะรู้สึกตัวเวลาหลงไปฟังรู้ว่าหลงฟังก็จะรู้สึกตัวเวลาหลงคิดรู้ว่าหลงคิดก็จะรู้สึกตัวนี่ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิของเราไปเรื่อยๆหัดมีสติรู้สึกตัวเรื่อยๆเ๋ยวสมาธิมันมาเองแหลนะมาเองแล้วก็คอยสังเกตไปอา้าวหลงไปแล้วนี่หลงไปแล้วนี่ หลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงนะต้องหลงก่อนนะถึงจะรู้ว่าหลงได้หลงไปรู้ไปทําไม่ได้เพราะขณะที่หลงนะจิตเป็นอกุศลนะถ้าตานลงไปสักช่วงหนึ่งมีสติรู้ว่าหลงไปแล้วก็นะจะเห็นว่าจิตตะกี้นี้หลงแต่จิตตอนเนี้ยรู้ไดนะ้ฝึกบ่อยๆหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปนะต่อไปแล้วก็จะเห็นวนะ่จิตเนี้ยเกิดดับ อยู่ทางทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวจิตก็ไปดูรูปเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเสียงเกิดแล้วก็ดับจิตที่ดมกลิ่นเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้รสเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สัมผัสทางร่างกายเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดนึกปรุงแต่งทางใจเกิดแล้วก็ดับอันนี้จะดูยากหน่อยดูยากดูยากกว่าจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตสุกจิตทุกข์ งั้นเราหัดดูของง่ายก่อนนะเดี๋ยวสติเราเร็วสมาธิเราดีเราจะเห็นนะจิตเดี๋ยวก็ดับตัวรู้ดับไปเกิดจิตดูแท น, นตรงที่เรามีจิตดูแล้วมีสติรู้ทันเนี่ยนี่เก่งแล้วเก่งแล้วมีจิตคิดแล้วก็มีสติรู้ทันต้องเก่งนะค่อยๆฝึกไปที่แรกนะว่าจิตโลภแล้วรู้จิตกรธแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้ะจิตสุขแล้วรู้จิตทุกข์แล้รู้ จิตเฉยๆเรารู้เราจะรู้สภาวะเหล่านี้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้าเราหัดดูสภาวะบ่อยๆอย่างเราหัดอ่านใจตัวเองไปจิตมีความสุข ก, ก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉย ๆ, ๆก็รู้ฝึกดูอย่างนี้สามตัวนี้พอแล้วพอที่จะฝึกให้เก่งได้แล้ว ขณะนี้สุขหรือทุกข์ดูได้ไหมยากเกินไปไหมขณะนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราเฉยๆยมีสามช้อยสุขทุกข์เฉยๆฉยดูได้ไหมดูได้ไม่ยากอะไรใครๆก็ ร, รู้นะแต่ละเลยที่จะรู้หลวงพู่ดูลึงบอกนะการปฏิบัตินี่นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอย่างนี้รู้ไหมจิตสุขหรือจิตทุกข์หรือจิตไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเย อะไรนะเออดูให้ได้ก็แกันสุขก็รู้ทุก็รู้นะไม่สุขไม่ทุกมันก็คือตัวเฉยๆเนะตอนนี้ไม่สุขไม่ทุกมียากอะไรอะ่ะใช่ั้นคำที่ถูกจริงๆก็คือไม่สุขไม่ทุกเรียกว่าอัตุ ข, ขมาสุขอัตุ ข, ขมาสุขไม่ทุกไม่สุข งั้นเราฝึกเ น, นนะดูสภาวะของนามธรรมานะแนะนําดูสุขทุกไม่ทุกไม่สุขเนะี่ยดูสามตัวเนี้ยสามตัวนี้จะหมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนจิตทุกดวงต้องประกอบด้วยเวทนานะสุขทุกไม่สุขไม่ทุกอะไรเนะี่ยคือตัวเวทนาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะงั้นถ้าเราเห็น สุขเห็นทุกข์เห็นไม่ทุกข์ไม่สุขได้เห็นไปเรื่อยๆเราเห็นจิตทั้งวันนะหัดดูอย่างนี้นะหัดดูไปแล้วต่อไปปัญญามันเกิดเออจิตทุกข์จิตสุขจิตไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เที่ยงนะเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้จะสุขหรือจะทุกข์หรือจะไม่ทุกข์ไม่สุขเลยบังคับไม่ได้นะจิตเป็นของมันเองตรงนี้เรียกว่าเห็นอนัตตา เรที่เห็นว่าจิตทุกอย่างมาแล้วก็ไปอย่างจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกเกิดแล้วดับจิตไม่ทุกไม่สุขเกิดแล้วก็ดับอันนี้เรียกเห็นอนิจจังเห็นว่าจิตทุกก็ห้ามมันไม่ได้จิตสุกก็เรียกร้องให้มาหรือมาแล้วรักษาตลอดก็ไม่ได้จิตไม่ทุกไม่สุขก็สั่งมันไม่ได้ตัวนี้เรียกเห็นอนัตตาพอจะรู้วิธี เจริญปัญญาหรือยงังนะนะดูกายกันดูทะลุลงมาให้เห็นใจรักนะดูจิตเริ่มจากเจตสิกก่อนสุขทุกข์ดีชั่วบางคนไม่ชอบดูสุขทุกข์มันชี้โม โ, โหนะ่นคนชี้โม โ, โหก็ดูจิตกโกรธกับจิตไม่โกรธสองตัวนี้ดูได้ทั้งวันพวกขี้โมโหนะเดี๋ยวก็กโกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็กโกรธเดี๋ยวก็หายดูไปเรื่อย ก็จะเห็นเลจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตโกรธก็บังคับไม่ได้นะจิตไม่โกรธก็บังคับไม่ได้เนี่ยตัวอย่างนี้ก็ได้คนไหนขี้โลภนะเพลิดโลภมากนะเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยนะเดินศูนย์การค้าอะไรก็ซื้อแหลกรลานมีบัตรก็รูดเข้าไปใบเดียวไม่พอรูดก็มีหลายๆลายใบนะแล้วค่อยเป็นหน้ามืดทีหลังนะ ใจมันโลภ อ, อยากได้ไปหมดเลยใจมันโลภันรู้ทันใจมันหายโลภก็รู้ทันอันนี้ดูไปเรื่อยๆงั้นถ้าเราเป็นพวกกิเลสแรงๆนะเราก็ดูตัวกิเลสไปเลยจิตมีกิเลสกับจิตไม่มีกิเลสถ้าใจเราไม่รุนแรงนักนะก็ดูใจสุขใจทุกข์ใจไม่ทุกข์ไม่สุขดูไป ไม่ต้องดูทั้งหมดดูอันไหนได้กลุ่มเดียวคู่เดียวก็โอเคละเห็นะกลุ่มสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขนะี่กลุ่มหนึ่งดูสามตัวเนี้ปฏิบัติได้นะต่อไปชำนาญ น, นะต่อไปหเห็นปฏิจจสมุปบาทไดนะ้แต่ไม่เล่ายาวไปไปกินข้าวดีกว่ า, เ, า เ, ชเชิญกรรมการนะผู้เชิยสอน พวกที่เคยบวชกับหลวงพ่อเฉพาะที่เคยบวชกับหลวงพ่อนะบางคนเคยบวชบวชมาจากสำนัก น, ออนิลถีอะไรเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะ